เจตตินวัฏฐากะว่าด้วยระงับอธิกรณ์โดยการประนีประนอมเรื่องภิกษุก่อความวุ่นวายสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายบาดหมางทะเลาะวิวาทกันอยู่ได้ประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจินมากมาย